11. อการเห็นปฏิจจสมุปบาท ต, ต้องมีสภาวะธรรมรองรับวงเล็บเปิดสิบห้ามิถุนายนสองพันห้า้อห้าสิบในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีหนึ่งวงเล็บปิดเวลาเราภาวนาสังเกตดูจะมีวงรอบของแต่ละคนดีขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปสมัยหลวงพ่อภาวนาแต่ก่อนประมาณเจ็ดวันรอบหนึ่งอย่างมันดีๆอยู่แล้วมันก็ค่อยๆเสื่อมไปแล้วก็ค่อยกลับมาดีอีก เป็นทุกคนไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตมีโมหะจิตฟุง้งมันรู้ไม่ถึงฐานไม่ต้องตกใจสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นนะให้รู้ลูกเดียวเลยไม่ต้องไปตกอกตกใจว่าทำอย่างไรจะรู้ถึงที่มันทำอย่างไรจิตจะถึงฐานทำอย่างไรจะรู้ชัดไม่ต้องทำคำว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดมีสภาวะธรรมปิดเครื่องหมายคาพูดรองรับหมายความว่า เราไม่ได้คิดคิดฝันฝันเอาเองเวลาภาวนาอย่างไม่ใช่ไปคิดว่าความโกรธไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ควรไปโกรธแต่ต้องมีสภาวะรองรับคือเห็นความโกรธมันผุดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้ดูต้องมีสภาวะรองรับนะหรืออย่างเราจะไปคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้คิดอย่างไรก็ไม่บรรลุมรรคผลอะไรหรอกต้องมีสภาวะรองรับ เห็นกระบวนการทำงานของเขาต่อหน้าต่อตาเลยเห็นแล้วก็จะประจักษ์เลยว่ากระบวนการของปฏิจจสมุ ป, ปบาทก็คือการทำงานสืบต่อกันของสภาวะธรรมจํานวนมากสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวล้วนแต่ไม่ใช่เราทั้งนั้นเลยคือจะต้องมีของจริงให้เห็นไม่ใช่คิดเอาเองยังพูดถึงความโลภก็ต้องเห็นความโลภที่เกิดขึ้นในใจเราจริงๆไม่ใช่โลภอยู่ในตาราความโกรธก็ต้องเห็นจริงๆ โมหะก็ต้องเห็นจริงๆโมหะมีหลายแบบความโกรธก็มีหลายแบบความโลภก็มีหลายแบบมีลูกเล็กลูกน้อยแตกต่างกันออกไปเยอะแยะอย่างโมหะนี่มีทั้งความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยความซึมหมดเรี่ยวหมดแรงทางใจไม่สามารถจะรู้อะไรได้รู้ได้ไม่ชัดดังนั้นเราต้องเห็นสภาวะไม่เห็นสภาวะไม่ได้ไม่เห็นสภาวะก็เป็นการคิดเอาเอง ถ้าเห็นสภาวะแล้วไม่ต้องทำอะไรสภาวะเขาจะแสดงไตรลักษ์ให้ดูเองหรือถ้าเราเห็นจิตใจตัวเองอยู่เราจะเห็นกระบวนการทำงานของจิตใจที่จะปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาคือเห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทแต่โดยธรรมชาติของผู้ถุชนจะเห็นได้ไม่ตลอดสายจะเห็นท่อนปลายๆก่อนเช่นเห็นว่ามีผัสสะเลยเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะการกระทบอารมณ์ ถ้ากระทบทางตาหูจมูกลิ้นสี่ทวาร น, นี้กระทบแล้วเฉยๆไม่มีสุขไม่มีทุกข์ตรงที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่โมหะแทรกง่ายนะตรงกระทบทางกายกับทางใจนี่มีสุขมีทุกข์ขึ้นมาพอมีความสุขเกิดขึ้นราคะก็แทรกมีความทุกข์เกิดขึ้นโทสะก็แทรกจะแทรกเข้ามาพอราคะโทสะโมหะมันแทรกตัวเข้ามาในจิตแล้วมันจะผลักดันให้จิตทํางานเช่น โทสะเกิดขึ้นมันก็อยากให้สภาวะอันนี้หายไปเกิดตัณหาขึ้นโลภะเกิดขึ้นมันก็อยากให้สภาวะนี้คงอยู่นานๆโมหะเกิดขึ้นมันก็อยากให้รู้ชัดๆหรือถ้าจิตฟุ้งซ่านก็อยากให้สงบความอยากเกิดขึ้นทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นใจจะเกิดการดิ้นรนมันจะเข้าไปจับอารมณ์ให้มั่นๆเข้าไปเกาะเพราะฉะนั้นเวลาใจเกิดความอยากขึ้นมานะใจมันจะทยานเข้าไปเกาะ อ, อารมณ์ไปเกาะ อ, อย่างแรงๆเลย ตรงที่จิตไปเกาะอารมณ์อย่างรุนแรงเรียกว่ามีตัณหามีตัณหาอย่างแรงตัณหาอย่างแรงนี่แหละเรียกว่าอุปทานดังนั้นองค์ธรรมของอุปทานกับองค์ธรรมของตัณหาเป็นอันเดียวกันคือโลภะคือตัณหานั่นเองแต่ตัวอุปทานนี่เป็นตัวตัณหาที่มีกําลังแรงกล้าไม่ใช่อยากเฉยๆแต่อยากแล้วกระโดดใส่เลยพอมันกระโดดเข้าไปนะจิตก็เกิดการทํางานขึ้นมาเช่นไปดึงอันนี้ไว้ไปผลักอันนั้นออก ไปค้นคว้าหาทางทำอย่างไรจะรู้ชัดทำอย่างไรจิตจะตั้งมั่นนี่เรียกว่าการทำงานของจิตการทำงานของจิตนี่แหละเรียกว่าพบชื่อเต็มๆคือคำว่ากรรมม <financing> right. okay. าพบเมื่อจิตมันทำกรรมขึ้นมามันจะรู้สึกว่าเรามีอย <ści> ู่มันจะรู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆฉะนั้นอาศัยการทำกรรมก็เลยรู้สึกว่าเรามีอยู่ตัวเราเป็นความรู้สึกตัวเราจริงๆไม่มีพะมันมีอยู่ มันก็รู้สึกว่ากายนี้เป็นตัวเราใจนี้เป็นตัวเราขึ้นมามันก็เลยมีที่รองรับความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์มีที่ตั้งเราจะเห็นอย่างเก่งที่สุดได้เท่านี้แหละเราจะไม่สามารถทวนลงไปเห็นเช่นว่าวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปนี่เริ่มดูยากแล้วหลวงพ่อยังไม่เจอว่าปุถุชนเห็นตรงนี้เราจะคิดแต่เรื่องเกิดปฏิสนธิจิตลงในภพใหม่อันนี้ปุถุชนเห็นได้ แต่ว่าจิตที่หยางลงไปแล้วก็เกิดกายเกิดใจขึ้นมามองไม่เห็นตัวนี้ไม่เห็นจะเห็นตรงนี้ได้ต้องทำจิตเข้าอปปนาสมาธิเลยนะแล้วดับลงไปเลยดับความรู้สึกให้ได้หรืออย่างน้อยๆเข้าไปถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วตอนที่จิตที่หยาบผุดขึ้นมามันจะเห็นความปรุงแต่งมันจะผุดขึ้นมาก่อนพอความปรุงแต่งผุดขึ้นมาแล้วก็เกิดจิตขึ้นมาที่ไปรับรู้ความปรุงแต่งนั้น ทีนี้ความปรุงแต่งนี่พอปรุงจิตขึ้นมาซึ่งจริงๆมันเกิดร่วมกันแหละพอจิตอย่างลงไปรู้กายกายก็ปรากฏอย่างลงไปรู้จิตจิตก็ปรากฏรู้นา ม, มาทรรมที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้เห็นยากมากแล้วตรงที่ยากสุดๆเลยก็อวิชชาอาวิชชานี่สุดยอดแล้วอย่าว่าแต่ผู้ทุชนไม่เห็นเลยพระอนาคามีก็ไม่เห็นถ้าเห็นถึงอวิชชานะวิชชาก็เกิดขึ้นมาก็ทาลายความปรุงแต่ง จิตจะไม่อย่างลงในภพใดๆจิตจะไม่ทำงานขึ้นมาการภาวนาไม่ใช่อย่างเราอ่านพุทธประวัตินะว่าพระพุทธเจ้าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทก็นึกว่าท่านคิดคิ ด, คดเอาหลายคนคิดว่าคนอื่นคิดไม่ได้ต้องพระพุทธเจ้าคิดแล้วบรรลุพร ะ, รพะอรหันต์ได้เข้าใจผิดถ้าหากคิดเอาเองแล้วบรรลุพร ะ, รพะอรหันต์ได้นะทางสายเอกทางสายเดียวก็จะไม่มี มันจะมีทางสองสายเป็นทางสำหรับคนทั่วๆไปสายหนึ่งคือการเจริญสติปัฏฐานกับทางเฉพาะพระพุทธเจ้าคือคิดคิดเอาเองแท้จริงไม่ได้มีอย่างนั้นนะทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือสติปัฏฐานทีนี้พระพุทธเจ้าบารมีแก่กล้าท่านทำสติปัฏฐานในหมวดสุดท้ายคือทำมานุ ป, ปัสสนาและบรรพสุดท้ายคือเรื่องอริยสัจท่านเห็นอริยสัจนั่นเอง ที่นี้กระบวนการเห็นอริยสัจของท่านนะท่านเห็นละเอียดละอท่านเห็นไล่มามีสภาวะรองรับมาตั้งแต่มีทุกข์ขึ้นมามีทุกข์เพราะมีชาติมีชาติเพราะมีภพมีภพเพราะมีอุปทานมีอุปทานเพราะมีตัณหามีตัณหาเพราะมีเวทนาความจริงนี่อย่างย่อนะอย่างละเอียดก็ที่หลวงพ่อกระจายให้ฟังเมื่อกี้คือก่อนที่เวทนาจะแปลสภาพเป็นตัณหามีกระบวนการทํางานตั้งเยอะแยะ มันจะมีกิเลสแทรกเข้ามาในเวทนาก่อนมีกิเลสแทรกเข้ามาแล้วก็จิตนั่นแหละมันก็เลยเกิดความอยากไปด้วยอํานาจของกิเลสทีนี้เราต้องค่อยๆภาวนาไปนะเอาเท่าที่เห็นได้ก่อนไม่จําเป็นต้องเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งสายพระโสดาบันเหมือนๆจะเห็นทั้งสายนะพระโสดาบันรู้สึกว่าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทจริงๆไม่เข้าใจหรอกอย่างพระ อ, อนนท์เคยไปทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ปฏิจจสมุปบาทปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นของตื้นตรงนี้ก็เกิดตีความกันใหญ่ว่าทำไมพระอานนท์ว่าตื้นก็บอกว่าพระอนนท์จีเนสในวงเล็บอัจฉริยะมากฉลาดก็เลยรู้สึกว่าตื้นๆถ้าพระอานนท์ท่านเห็นแจ่มแจ้งจริ ง, รงๆก็เป็นพระอรหันต์แล้วสิพระพูทธเจ้าถึงห้ามบอกว่าเครื่องหมายคาพูดเปิดอย่าพูดอย่างนั้นนะพระอนนท์ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกนัก ตราบใดที่ไม่เห็นแจ้งปฏิจจสมุปปาบาทนี่ยังต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ปิดเครื่องหมายคำพูดคำว่าเห็นแจ้งปฏิจจสมุปปาบาทนะคือเห็นแจ้งลงมาถึงอวิชชาเลยไม่ใช่เห็นอยู่ผิวผิวพวกเราจะเห็นแค่ผิวผิวเห็นท่อนปลายปลายเห็นที่เป็นขนขนมันแล้วนะยังไม่เห็นรากเห็นเงาดังนั้นอาศัยความภาคเพียรรู้กายภาคเพียนรู้ใจไปเรื่อยๆนะไม่ท้อถอยรู้ทุกวี่ทุกวันรู้ไปเรื่อย เมื่อได้เข้าใจความเป็นจริงของกายแจ่มแจ้งเข้าใจความเป็นจริงของจิตใจแจ่มแจ้งนั่นแหละเรียกว่าวิชาจะละอวิชาลงไปวิชาคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุท fram, มัทยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้ทุกข์นี่เป็นตัวต้นต่อเพราะไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษเพราะไม่รู้ทุกข์อย่างนี้มันก็เกิดสมุทัยเพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทัย ส่วนที่พวกเราเรียนกันได้ภาวนาเบื้องต้นจะเห็นว่าถ้ามีสมุทัยแล้วจะเกิดทุกข์มีตัณหาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจถึงจะมีความทุกข์รู้สึกไหมส่วนคน ท, ทั่วไปแค่นี้ก็ไม่เห็นแล้วคน ท, วทั่วไปจะเห็นว่าถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์ส่วนนักภาวนาจะเห็นเลยแค่มีความอยากเกิดขึ้นจะสมอยากหรือไม่สมอยากจิตก็ทุกข์แล้วเพราะจิตต้องทํางานนี่นึกว่าเข้าใจอริยสัจยังไม่เข้าใจหรอก ลำพังเห็นว่าเพราะมีสมุทัยจึงเกิดทุกข์นี่อย่างตื้น <_ d ata> ต้องเห็นว่าเพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทยัยถึงจะลึกซึ้งจริงไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นก้อนทุกข์นะเป็นธาตุที่มันเป็นทุกข์พอไม่รู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์คิดว่ามันเป็นตัวดีตัววิเศษคิดว่ามันเป็นตัวเรานี่เพราะความไม่รู้แท้ๆเลยมันก็เลยเกิดความอยากที่จะให้กายนี้ใจนี้มีความสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์ มีความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากใจก็เกิดการดิ้นรนพอเกิดการดิ้นรนขึ้นมาใจก็เกิดความทุกข์อีกชนิดหนึ่งขึ้นมาเป็นความทุกข์เพราะตัณหาไม่ใช่ความทุกข์เพราะขันในขณะที่ตัวอริยสัจความทุกข์คือทุกข์ของขันนะขันนั่นแหละคือตัวทุกข์ท่านถึงสอนว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดว่าโดยย่อ อ, อุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ปิดเครื่องหมายคําพูดทําไมต้องมีคําว่าอุปทานทําไมไม่บอกว่า ในเครื่องหมายคำพูดว่าโดยย่อขันห้าเป็นตัวทุกก็เพราะขันห้าบางตัวไม่ใช่ตัวทุกขันห้ายังมีสองส่วนนะคือส่วนที่เป็นตัวทุกข์กับส่วนที่ไม่เป็นตัวทุกขส่วนที่ไม่ใช่ตัวทุกขคือบรรดาโลกุตตะจิตทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาโลกุตตะจิตมาทําวิปัสสนานะเพราะไม่มีจะทําด้วยแค่เราใช้จิตธรรมดานี่แหละ จิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นวิบากพื้นๆนี่แหละนะให้คอยรู้คอยดูมันเรื่อยๆไปแต่ถ้าภาวนาไปจนเห็นมหากิริยาจิตหรือจิตของพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีหน้าที่ต้องทำวิปัสสนาอีก